พระธรรมเทศนาแผ่นที่106ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าเวลาน้อยแต่ขอให้มีคุณค่าวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ย3สา ม ก, กราคมพุทธศักราช2560แต่ลวงช่วงนี้หลวงพ่อเองก็เน้นเรื่องพูดมาเรื่องเสาเข็มหลายวันแต่วันนี้ก็ขอย้ำเป็นเบื้องต้นซะก่อนนะเพราะมีผู้ถวายหลวงพ่อก็ควรจะประกาศให้พวกเราได้รับรู้รับทราบเพราะว่าเรื่องเสาเข็มเป็นเรื่องระดมทุนพอสมควร เพราะว่าเป็นด่านแรกแต่ท้าว่าพวกเราเสาเข็มเนี่ยเป็นไปได้ดเีเราที่คิดว่าเจดีขององค์หลวงตาที่เราจะพูดต่อไปภายภาคหน้ามันก็เป็นแสงสว่างขึ้นมาอีกแต่ท้าวว่าขนาดเสาเข็มยังมืดตึื้อแล้วแล้วก็ที่เราจะทําอะไรต่อไปภายภาคหน้าต้องได้คิดคิดหนักเหมือนกัน คือว่ามันมีเท่าไหร่แล้วก็คงจะทำเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเสาเข็มเนี่เป็นไปได้ดีตอบรับได้ดีพี่น้องประชาชนให้ความรักเคารพในองค์หลวงตาดังเดิมเหมือนเดิมเราก็คงจะทำอะไรให้ดีดีเลิศระดวบดีดีที่สุดตามที่ต้องการที่จะทำ จะถ้าหาว่าขนาดเสาเข็มสามสิบกว่าล้านเนี่ยยังทั้งสามเดือนอยังไปไม่ได้นะผู้ดําเนินการทั้งหลายก็ต้องได้คิดเหมือนกันนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงพยายามบอกกล่าวให้กับคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนออกไปจะออกจากวัดเราไม่ใช่เพื่อเรางานนี้ไม่ใช่เพื่อวัดเราไม่ใช่เพื่อเรา เพื่อพี่น้องประชาชนสิท์ญาณุสิ์ขององค์หลวงตาทุกหมู่เหล่าตีรักเคารพในองค์หลวงตาแล้วก็ให้ช่วยๆกันฟังเอาไว้เราไม่ได้ทําเพื่อใครลําเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเพราะนั้นทุกคนถ้าน้อมยอมรับน้อมรับเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาแล้วก็ใครจะพูดยังไงก็คืออย่างที่หลวงพ่อเคยพูดว่า ถึงจะล้มลุกคุกคานขนาดไหนเอล้มเกร็งไม่รูกี่ตลกอแต่พอฟื้นขึ้นมาได้ก็ต้องมองยอดพระเจดีย์องค์หลวงตาอนี้นี่คงเหมือนกัน่ะถ้าพวกเราเรื่องเราอะไรก็ตามแต่เจดีย์ของหลวงตายัางไม่เสร็จนะอพวกเราก็พร้อมที่จะทําเพื่อบูชาพระคุณหลวงตานะวันนี้ก็มีผู้รวมสมทบมา นะอบอุ่นพอสมควรนะเราจะต้องได้ใช้เจตุปัจจัยมากอยู่ข่าวนะี้สามสิบกว่าล้านนะตามที่รายงานหร่อกับตามที่สัญญาเราทาตามสัญญานะเราก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะ่ที่ตกลงกันสัญญาอะไรเราไม่ได้เกี่ยวเรามีแต่ตัวเลขออกมาเท่านั้นแหละเราก็สนับส น, นุนเราก็คิดว่า ผู้ที่เขาตกลงกันแล้วนั้นเราก็เชื่อในหัวสติหัวปัญญาพครคนที่เขาไปทำงานจุดนั้นเราก็ได้เลือกสรรพอสมควรที่เข้าไปดูแลแล้วก็ทันของทันเหล่านั้นก็เป็นคนที่มีสติมีปัญญาหลอบขอบอยู่แล้วเราก็เขาชี้แจงจุดไหนมาหลงพ่อก็ฟังได้ ยอมรับได้เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าต้องของดีลงหลวงพ่อก็จุดมีจุดประสงค์อย่างนั้นเหมือนกันต้องการของดีแต่ของไม่ดีทำไปแล้วมันอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำของดีถวายถวายองค์หลวงตานะีอย่างสมัยเมื่อข่าวก่อนเ่เจดียข่าวก่อนครั้งก่อน ที่เซ็นสัญญาครั้งก่อนไม่ใช่เจดีองค์นี้นะเขาก็ถามว่าจะใช้หินเมืองไทยหรือจะใช้หินต่างประเทศบจะใช้หินแบบวัดเบญจมบพิษหรือที่นั่งพระอนันตตะหรือจะใช้หินด่านกัมเพลย์เพชรก็ได้พูดกันข่าวนั้นนะก็ตกลงเอาหินต่างประเทศนะ แต่ข่าวนั้นก็คือองค์หนึ่งแต่ก็ยังไม่ขึ้นแต่ข่าวนี้ก่อนเนี่ยสรุปแล้วก็คือเราต้องการของดีสําหรับใช้ในเจดีย์องค์หลวงตาคือจะให้อยู่ได้เป็นนานที่สุดนเะท่าที่จะนานได้นะจะว่าเป็นพันๆปีนะแต่เราก็ยังไม่อายุของเราไม่ถึงร้อยปีเราก็พูดล้าไปอย่างนั้นแหละนะนะแต่ในความคิดของเราก็ดีที่สดุดนะในความคิดนะ วันนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะที่จะยินเสียงหลวงพ่อเนะีะ่นี่แหละหลวงพ่อเปาประกาศให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านจะมีส่วนร่วมแต่จะใช้ตอกเสาเข็มในเพียงสามเดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราหกศูนย์ไปสามเดือนกันแปลว่าจบแล้วนั้นเรื่องเสาเข็มจะทำมันไม่พอก็คงจัด เอาส่วนอื่นลงมาเพิ่มอีกเพราะมันสามสิบสองล้านนี่ยทมันเกินทามันเกิ น, น, กนแล้วก็พักเข้าไปเข้าไปเป็นส่วนใหญ่นั่นหละมันไม่หายไปไหนหละลูกหลานเะพักเข้าเป็นเป็นเงินเจดีต่อไปทามันเกินทามันไม่พอก็คงจะของเงินจากเจดีลงมาช่วยเพราะมันก็เป็นเจดีเหมือนกันแต่ตามไม่จริงเราก็อยากจะให้เป็นเสาเข็มนะั่นแ่ะ เพื่อจะให้มันเป็นสัดส่วนส่วนเน่งแต่จะใช้เวลาเพียงสามเดือนที่จะตอกเสาเข็มเนี่ยถ้าพวกเราเกินสามเดือนไปแล้วก็แปลว่าเงินก่อนนั้นก็คงจะเข้าไปเป็นเงินเจดีต่อไปนะแต่ทางวันในขณะนีนะ้ถ้าเรารวบรวมได้ก็จะเป็นเสาเข็มเสาเข็มลองพื้นฐานพระเจดีขององคหลวงตา อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหลวงพ่อบอกว่าพวกเราเป็นเสาเข็มถวายองค์หลวงตาถือว่าหลวงตาเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอรหันต์พวกเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานหลวงตายืนประน ม, มืออยู่ข้างล่างเป็นเสาเข็มหลวงตาอยู่บน ศีรษะของพวกเราพวกเราก็ประนมืออยู่ข้างลากแล้วก็ตั้งความปรารถนาหลวงตาได้บรรลุธรรมยังไงเห็นธรรมยังไงพระพุทธเจ้าพระหารทสาวกทั้งหลายได้เห็นธรรมบรรลุธรรมอย่างไรตัจรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายบรรลุธรรมยังไงหลวงตาได้บรรลุธรรมยังไงขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างที่ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระหันทสาวกได้บรรลุธรรมองค์หลวงตาได้บรรลุธรรมทุกประการตามนั้นด้วยเทินนะเราต้องปรรถนาให้สูงส่งเลยนะลูกหลานนะส่วนอื่นมันเป็นผลพลอยได้ดอกเตนะี่เป็นผลพลอยได้แต่เราปราถนาสูงสุดอย่างนั้นนะคือจุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นของพวกเรานะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทำบุญมากหรือน้อย ก็ไม่ว่ากันเดี๋ยให้มันหนักใ้ใครไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราเองถ้ามันหนักเกินไปเราก็รู้ถ้ามันเบาเกินไปเราก็รู้ถ้ามันเบาเกินไปเราเราทำอย่างอื่นเราอย่างทำได้ เ, เราหาบุญกุศลข้อสู่จิตสู่ใจของเราเไม่ใช่ว่าเราได้ทำทุกปีทุกเดือนเมื่อไหร่ชาตินี้ก็เพียงครั้งเดียวเท่านี้เนะี่ ชาตินี้ก็เพียงครั้งเดียวที่จะต้องทําพระเจดีองค์หลวงตาเนี่ยเราคนรักก็รบในองค์หลวงตายต่างหากอย่างสุดซึ้งหัวใจอีกต่างหาก เ, เราจะทําเพียงแค่นี้มันเหมาะสมไหมเยเราก็มีฐานะพอที่จะเป็นไปได้อยู่นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้คิดนะแล้วก็พร้อมการหลวงพ่อได้พูดแต่เรื่องออพระเจดีมาหลายวัน และก็พร้อมกันก็มีพระใหม่เข้ามาบวชที่ถวายเป็นพระราชุ ก, กุศลหลวงพ่อเองก็อยากจะให้พระใหม่ทั้งหลายนะเข้ามาบวชถึงจะมีเวลาน้อยไม่กี่วันแต่ก็อยากจะให้เป็นเวลาที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอยากเข้ามาบวชแล้วเอ๊ะพระเขาทำอะไร เหมือนก็ไม่ได้ทําการทํางานอะไรเราจะให้เหมือนเป็นฆราวาสญาติโยมเป็นไปไม่ได้นะพระใหม่ทั้งหลายนะกูบาทั้งหลายเ อ, อถ้าเป็นฆราวาสเขาจะต้องถือจอบถือเสียมไปทําการทํางานเอออันนั้นก็คือเป็นฆราวาสแต่นี้เข้ามาบวชเราต้องฟังพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้าท่านหนีออกจากเวียงวังท่านไปอยู่ในป่าดงพงไพ่ถึงหกปีนี่ ท่านมีจอบมีเสียไมมีสัตราอาวุธนี่มีปักกงปักกามีกระดาษไหมในพระไตรปิฎกไม่มีมีแต่เปนนั่งคุ้นคิดนะนั่งขจมาทีนั่งคิดนะที่แรกต้องอดปักายอาหารทั้งสี่สิบเก้าวันมีอะไรทุกอย่างห ล, ลายอย่างถ้าเราได้ศึกษาในปฐมสมโพธหรือว่าพุทธประวัตินะ่ะแต่โปรดในสุดพระพุทธองค์ ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนิน่ะอันนั้นเป็นวันที่สําเร็จท่านจะว่านักวิทยาศาสตร์ของเขาพวกอวากาศของเราพวกนาซาของเขานะ่เขาก็คงวันไหนเป็นวันสําเร็จที่เขาคิดได้สําเร็จนะเอาคงจะวัดนั้นนี้คงเหมือนกันพราะพระพุทธเจ้าที่สําเร็จที่ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ท่านทํำยังไงที่ท่านได้สําเร็จในวันนั้นนั่นแหละคือวันสําเร็จจุดที่สําเร็จนั่นแหละที่ยอดเยี่ยมนั่นแหละที่ท่านเอามาบอกมากล่าวพวกเราก็ศึกษาจุดนั้นนะทีน่อนในจุดที่พระองค์บําเพ็ญอยู่เนยลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดอันนั้นเราไม่ได้ศึกษาละ่ออะเพราะเอ็ไรเพราะยังไม่สําเร็จอยังทําการทํางานอยู่ ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ถึงที่จุดหมายปลายทางของพระ อ, องค์นะทาอย่างไรในจุดนั้นพระองค์ทำอย่างไรในคืนวันนั้นตอนหัวค่ำตอนหัวค่าพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันนั้นวันเดืนเนอนหกเพพระองค์ได้เอายาคาจากนายโสธียะที่น่าถวายไปราดปูราดทางทิศตะวันออกของต้นโพ ที่ว่าต้นโพมันเป็นรากตะปุ่มตะป็บใช่ไหมนั่งไม่สะดวกนะ่ยพระองค์ก็เอาปูเอาหญาคาปูาราดนะพอปูาราดเสร็จแล้วประสานสายหญ้าคาหัวยญาคาเป็นคนละข้างกันนะทางรับสี่กำมือพ่อยญาคาแปดกำมือนะจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งสิทธะขึ้นไปนั่งบนยญ้าคาแนะปดกํามือหันพระพัก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 ในลมหายใจออกเนี่ยให้ฟังเอาไว้นะพระลูกพระหลานทั้งหลายผู้เข้ามาศึกษานะนี่แหละคือหน้าที่ของพุท ธ, ธะหน้าที่ของพระนะั่นเองทํานไม่ท่านไม่ให้ทำหน้ า, า, นาทีาการงานอย่างอื่นนะนี่นะหน้าที่ของพระเนะี่ยจากนั้นกำหนดลมหายใจเข้าให้มีสติอยู่ที่ปลายจมกูกไม่ให้คิดถึงอดีต การงานของเราในอดีตเป็นยังไงไม่ให้คิดอนาคตมันจะเป็นยังไงไม่ให้คิดไปให้สติอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นบังคับให้อยู่ที่ปลายจมูกนี่แนะมันจะหนักหรือมันจะเบารู้ได้ไดแล่ละทเอนบังคับให้จิตอยู่กับปลายจมูกเท่านั้นนะงานของพระจะหนักหรือจะเบาเราจะรู้ได้แหละท่าอการงานอย่างอื่น เราทําได้แต่บังคับให้จิตใจอยู่ในอยู่ที่ปลายจมูกนั่นเราทําได้ไหมเราบังคับให้อยู่จิตใจให้นิ่งอืมให้อยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นเวลามันเพลอไปดึงกลับคืนมาเวลามันไปที่ไหนดึงกลับคืนมาอย่าให้มันไปนี่แหละนี่แหละคือหน้าที่ของพระอะไรตัวไหนให้ดูจุดนี้หนะเพราะเราดูจุดนี้จิตถ้าว่าเราบังคับ จิตใจต่อไปจิตใจของเราจะรวมสงบนะจิตไปเป็นหนึ่งนะ เ, เป็นเอกขตาจิตนะคือจิตเป็นหนึ่งนะเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วนะจะมีความสุขในการาในการทําสมาธิและการเป็นอยู่นวัต น, นัติสันติปรังสุขขังนะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะ นี่แหะพราะพระพุทธเจ้าที่ท่านได้นั่งอยู่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนนน่นะตอนหัวค่ำนะ่ะท่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพระทัยใจของพระองค์ไม่ได้คิดไปทางอื่นไม่กระสับกระส่ายไปทางอื่นนั่งอยู่ที่ปลายจมกูกจากนั้นกิจของพระองค์ก็รวมสงบพอรวมสงบลงเป็นหนึง่งอันนั้นเป็นวิสัยของพุทธะขั้นท่านระลึกชาติผลหลังไดนะ้ท่านมีความรู้พิเศษขึ้นมา เป็นความรู้ขึ้นเจตมียานราัตนะเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นยังบอปุกเพนิวาสานุจติยานรละลึกชาติผนหลังได้ น, ะนี่แหละดักของพุทธศาสนาให้พวกเราฟังเอาไว้ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนะเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมในวันเดือนหกเพนวันนั้นนะพระองค์ระลึกชาติผนหลังได้ชาติที่แล้วเป็นยังไงเป็นมาอย่างไง นี่เราห้าร้อชาติเนี่ยในพระไตรปิฎกนะชาดกชาดกนะคือเป็นเรื่องเก่าแก่ของพระ อ, องค์ที่ผ่านมาแล้วอย่างพวกเราเน่ยเกิดมาไม่ใช่มาเกิดมาวันนี้วันเดียวใช่ไหมล่ะเกิดมาตั้งกี่ปีปีแรกเกิดมาเป็นไงปีสองปีสามปีสปีห้าพอเราจําตัวตด้แล้วก็ระลึกระลึกชาติได้นะระลึกถึงเมื่อหลังได้น่ะแหละคำว่าระลึกถึงเมื่อหลังนั่นแหละคืออดีตนะ แต่พอพระพุทธเจ้าท่านมีญาณรัตนะมีญานรัตนะเหนือกว่าพวกเราเราเลึกถึงข้ามพบข้ามชาติอีกเป็นร้อยพันพันหมืม่นแสนชาติไปนะเพราะท่านมีญาณรัศนะพิเศษนะเพราะฉะนั้นให้พวกเราฟังและศึกษาในจุดนี้นะะแต่ถ้ายัางไงก็ตามมาบวชในคราวนี้ครั้งนี้เพียงแต่ทาจิตใจให้สงบเพียงสักครั้งหนึ่งอได้เพียงครั้งเดียวเท่า น, นั้นล่ะ บังคับให้จิตใจเข้าสู่ความบบเดินกับพุทโธขาขวาพุทขาซ้ายเดินอยองกลมมินทางเดินงกลมอยูย่แล้วก่อนเดิจะเดิยนยองกรมกันนมปนมมือซะก่อนนะอยู่ส้นสุดทางจองกลมข้างใดข้างหนึง่งเพราะนั้นเรายืนตัวแน่งแล้วก็ปั่นมมือขึ้นระหว่างอกพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ ส, สามจบคือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อน จากนั้นแล้วก็ขาขวาพุทธขาขวาพุทธขาซ้ายโถแต่ไม่ต้องเดินช้านะเดินเร็วๆตามปกติเหมือนกับเราเดินวิ่บทวารอย่างนั้นแหละพุทธโถพุทธโถพุทธโถพุทโถเวลาไปถึงจุดทานังคมแล้วก็ยืนหมุนพระทักศิณเวียนขวาพอเวียนขวาปุ๊บขาก้าวขวาขาพุทธขาซ้ายโถพุทธโถพุทธโถพุทธโถเวียนขวาอีก พระทักษิณหมุนขวาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละให้มีสติสัมปชัญญะในการเดินไม่ให้เผลอไม่ให้หลงลืมในการเดินพุทโธอยู่กับก้าวเดินนี่แหละอันนี้คือการเดินอย่างผมเดินให้นานที่สดเท่าที่จะนานาจนเหนื่อยจะนั่งขึ้นมานั่งพอมานั่งกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธุท โถพุโทโถพุโทโถไม่ให้มันเผลอไปทางอื่นนี่แหละทดลองอยู่นะกูบา ท, ทั้งหลายเออเมื่อเราทําจิตใจให้สงบอย่างนี้แล้วได้แล้วนั่นนะ เ, เราจะรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนารู้คุณค่าของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าโอ้พระพุทธเจา้าทำมาท่านคิดได้ยังไงถ้ท่านท่านจะทําจิตใจให้สงบเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดที่นี้ ในเมื่อเมื่อเรารู้ต้นตอของเรื่องของเราทั้งหลายเรื่องอย่ากโกดลโมโหโก้าโลภโก้หลงราคะโทสะโมหะเออมักใหญ่ไฟชุง้งเอ่โอโอด อ, อ, อะไรนักเลงหัวไม้อะไรออกมาจากใจทั้งหมดยังว่ามนโนปุกพังขงมาธรรมามนโมนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจนี่แหละหลักของพุทธศาสนาเนี่ย ท่านให้เขามาดูใจเนี่ยทาใจเห็นนิ่งในเมื่อใจของเรานิ่งแล้วผ่านความสงบแล้วเราจะรู้จะเห็นได้ว่าเราควรปฏิบัติตนยังไงรู้จักกาลเทศะการสถานที่บุคคลรู้จักสูงรู้จักต่อรู้จักสิ่งควรไม่ควรเนีมันจะรู้ทั้งหมดนะเพราะมันรู้ที่ใจถ้าว่าเราจับใจยังไม่ถูกนั่นหละจับตัวนักเลงยังไม่ได้นะครับ ถ้าเราจับตัวนักเลงได้คือมีสมาธิในตัวของเราล่ะนั่นแหละที่นี้เราจะรู้ได้เห็นได้ในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนะพาลูกพาลานคณะจนะัตถ า, า ย, ยาตจมนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรรับพ ร, พรในที่นี้นะ